ไม่รู้ลคิดของใครเปิดทางให้เราพบกันผ่านวังคืนเวียนมุนจนใจฉันรู้สึกเธอคงจะเป็นเหมือนกันเธอคงจะเป็นเหมือนฉันส่งตาพอรู้แต่ยังไม่แน่ใจอาจเป็นสีเดียวกัน อย่างคล้ายกันดูเหมือนรักไม่มีวันเป็นจริงใช่ไหมรักเราแต่ก็แค่เพียงกายที่เหมือนกันรักเราเรียมกันเป็นดอกไม้ที่สีเดียวกันแต่ดอกไม้แห่งรักของฉันก็งามไม่แพ มันเป็นอยู่ฉันรู้ตัวดีชีวิตที่มีทางนั้นของใครผิดตรงไหนถ้าเลือกรักในแบบเราความรักลากสีมีจริงไม่อิ่มในยายเรื่องใดอยู่ที่ใจเรียนรู้และยอมรับ ก, กัน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 ที่เหมือนกันรักเราเกลียดก็เป็นดอกไม้ที่สีเดียวกันแต่ดอกไม้แห่งรักของฉันก็นงามไม่แพ้ใครที่ไหนอาจเป็นทางที่เราเกลัมาไม้เมือนใครแต่เป็นทางที่เราเดินเกินและพอใจสิ่งที่ฉันเป็น อ, อยู่ไมฉันรู้ตัวดีชีวิตที่มีทางเดิน คำตอบคือเรา